หัวข้อทั้งสองร้อยหนึ่งหัวข้อเนี่ยนะสองร้อยหนึ่งหัวข้อนั้นก็นับตั้งแต่ขันห้าขันห้าไล่มาเรื่อยจนถึงปฏิจจสมุปาทใครที่เจริญสาธยายได้เอาไว้เจริญพุทานุสติบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเ น, ะนะเป็นหัวข้อดีมากเนี่ยนยปฏิสัมพิธามักเนี่ยถ้ามีคำวรูปเปชรา ม, มรณะเนี่ยเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจะมีนะจักขคู แล้วก็ปยาหารนแล้วก็ชรามรณะอมข้อสี่ไปจนถึงเนี่ยข้อเก้าก็นับว่าเป็นหมวดธรรมที่มีใช่มากเนี่ยมาดูคำอธิบายในอัตตกะฐานหนะน้าสองรอยี่สิบนะหน้าสองรอยี่สิบเพราะว่าธรรมะสามสิบก็คือทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกในทวารหกหลังนี้เนี่ยก็ได้กล่าวไปแล้ว เนี่ยมาเคลืนขันท่าก็คำวมารู้ยิ่งในที่นี้อ่ะควรรู้ยิ่งด้วยการทําให้มีขึ้นทําให้มีขึ้นทําให้เกิดขึ้นแต่นี้ว่าในในช่วงการเรียนอปฏิสัมพิธามักในสุตตมยญาณเนี่ยจะกล่าวว่าอะไรบ้างที่ควรเรียนรู้นะอะไรบ้างที่เราควรเรียนรู้ซึ่ง ซึ่งตอนนี้เราทำยังไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งนั้นควรเรียนรู้คาว่าเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงว่าควรไปทำให้มีขึ้นไปทำให้เกิดขึ้นแล้วเอามาวิเคราะห์วิจัยเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งในแง่ของสุตตัมมยาญาณเนี่ยนะหลายๆเรื่องอเป็นพระธรรมที่เรียกว่าอะไรควรเรียนควรศึกษาแต่ไม่ได้กล่าวว่าจะต้องศึกษาให้ได้อย่างนั้นจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะ แต่ว่ากล่าวถึงว่าอะไรควรเรียนควรศึกษาเนี่ยนะแต่เราจะเรียนเราจะศึกษาได้ขนาดไหนก็อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราทั้นการแสดงของภาษาริบุตรนี้แสดงแบบกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะถ้าถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยอัศจรรย์หรอกอัศจรรย์ว่าอัญญาตาวินรีเนี่ยในควรรู้ยิ่งแปลง่ายๆว่าอรหัตผลเนี่ยควรรู้ยิ่ ง, ง, ง, งอ่รรงอะใช่ห เันนี้คือในโลกของการศึกษาหรือในสุตตมายญาณเนี่ยต้องเอามาเรียนให้หมดว่าอะไรเป็นอะไรนะนะนะเพราะว่าต้องต้องไม่ลืมว่านี่กําลังเรียนสุตตมายญาณเนี่ยนะว่าความเป็นปหูสูตรเนี่ยควรเรียนให้ถึงไหนนะควรเรียนแค่ไหนโดยเฉพาะการเรียนนี่จึงจะเพียงพอก็เรียนให้นั่นแหละทั้งสรุปว่ารวมๆทั้งธรรมที่ควรกําหนดรู้ธรรมควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งทั้งหมดต้องเรียนให้หมดเลย ในแง่ของสุตตะมยายานพอเรียนเข้าใจจนหมดโดยการศึกษาโดยสุตตะที่เหลือก็ไปหมั่นอบรมไปเจริญอย่างอย่างผู้ที่ไปไหว้พระธาตุทั้งหลายเนี่ยถ้าสาทยายอะไรไม่ได้บทเหล่านี้ที่เราคุ้นเคยเนี่ยสาธยายได้เลยสาทยายแต่การสาธยายไม่ควรคิดถึงจักขูควรรู้ยิ่งกว่านึกถึงจอจานบรรกาศกไก่ไม่ใช่จักขูควรรู้ยิ่งกว่านึกถึงตาของเราใช่ไหม สีควรรู้ยิ่งก็เนี่ยลืมตาสีทั้งหมดที่เห็นเนี่ยควรรู้ยิ่งจิตเห็นเนี่ยควรรู้ยิ่งก็คือสาธยายพร้อมกับเอาชื่อมาใส่ในโลกที่เป็นจริงก็สาธยายไปด้วยเจริญไปด้วยตรึกไปด้วยอย่างเนี้ยนะพร้อมกับการสาธยายก็ถ้าสาธยายอยู่อย่างนี้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะการมองโลกมองชีวิตจะอีกแนวหนึ่งเลยเนี่ยนะเพราะว่าเอ็นอะไรนะนี่ขณะทําปริญญาเบื้องต้นนะยังจะทําให้เกิดความเข้าใจในชีวิตอีกอย่างหนะึ่ ในเรื่องในช่วงของการสาธยายก็สาธยายไปแต่ถ้าเมื่อไรเราอยากจะวิเคราะห์ละเอียดในบางเรื่องก็ค่อยว่าอีกครั้งนึงแต่ก็สาธยายโดยรวมโดยละเอียดนีควรสาธยายเอาไว้ให้เป็นเหมือนกับเราสวดมนต์นะเนะเหมือนกับอะไรนะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรรู้ยิ่งใช่เหรอแต่ว่าถามว่าเราก็รู้ยิ่งในส่วนที่เราพอรู้ได้ก็ในแง่งของสุตะมยะยานไม่น่ามีปัญหาไนะ น่นเรียนถึงนิ่พานเนี่ยเรียนหมดอ่ะเอามาเรียนจนหมดที่มาดูขันหก่อนนะหน้าสองรอยี่สิบที่กล่าวไปในอัตถกถาอธิบายข้อสี่ว่าวิสัชนาห้ามีวิสัชนาในรูปเป็นต้นถ้าธรรมเสนาบดีสาริบุตรแสดงด้วยสา ม, มารถแห่งขันธรรมชาติใดย่อมสลายย่อมถูกเบียดเบียนด้วยวิโรธ่ปั จ, จัจมีความเย็นเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูป ธรรมชาติของรูปเนี่ยซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีสมุทฐานสี่ใช่ไหมกรร ม, มสมุทฐานจิตตสมุทฐานอาหารสมุทฐานและอุตโตสมุทฐานบรรดาสมุทฐานนั้นๆที่สําคัญที่สุดเนี่ยอะไรกรรมสมุทฐานเนี่ยสำคัญที่สุ ด, มมสน เ, นสสดเพราะว่าขนาดจิตตสมุทฐานใช่ไหมชาวนะจิตที่ทําจิตตชรูปเนี่ยเราก็ไม่น่าหนักกายเพราะเราก็ยังหลับได้อะไรได้เพราะจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งข้าวยังพอได้ แต่กรรมชรูปลองมันไม่เกิดสักห้านาทีเดีเยวดับหมดเลยเดือดร้อนแน่เพันถือว่ารักห่วงแหงกรรมชรูปเนี่ยมากโดยเฉพาะชีวิตอินรีที่มาดูแลกรรมชรูปทีนี้ชีวิตอินทรีย์หรือรูปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะที่เราเราทั้งหลายนั่งกันอยู่เนี่ยเสื่อมสลายไปเพราะอะไรถ้าสิ่งนี้เนี่ยจะเสียสลายก็เพราะวิโรธิปัจจยัยคือปัจจัยที่เป็นปฏิปัป เช่นถ้าเย็นเกินไปเลยนะก็มีสิทธิ์ตายได้ร้อนเกินไปก็ตายได้หนาวเกินไปก็ตายได้หิวกระหายเกินไปก็ตายได้ทั้นความไม่คงตัวเนี่ยนะล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความตายได้ทั้งนั้นโดยที่สุดแม้กระทั่งรถเนี่ยใครจะคิดว่ารถก็คือเพชคฆาดเหมือนกัน่ะตายเพราะรถก็ได้ตายเพราะเรือก็ได้ตายเพราะน้ําก็ได้ตายเพราะดินก็ได้ตายเพราะลมก็ได้ พ่านเหตุปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากท่านบอกว่าเป็นต้นนะนะก็เหตุแห่งความตายมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่สลายไปด้วยอํานาจปัจจัยต่างๆธรรมชาติทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นเรียกว่ารูปถ้าผู้ฟังอย่างไงปั๊บเนี่ยตกลงว่าโอ้โหถ้ารูปเนี่ยที่พระองค์วิเคราะห์ว่าสลายแน่แปลว่าเราตายกันแน่ไม่มีเหลือสักคนเลยอันนั้นถ้าอย่างอย่างฟื้นก็ระยะยาวได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าตายเนี่ยมีแน่ เขาธรรมชาติเขารูปเขาเป็นเช่นนั้นแหละว่าเขาจะต้องเสื่อมสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยคือมีเหตุจนมีอันเป็นไปจนได้เนี่ยนี่คือความจริงของรูปเป็นอย่างนั้นรูปที่ที่เสื่อมสิ้นสลายไปเหล่านี้มันเป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของเวทนาถ้ารูปที่ดีเป็นที่ตั้งแห่ง สุขเวทนาถ้ารูปที่ไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้ารู ป, ปกลางทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเพราะธรรมชาติของเวทนาคือสวยรสรสของรูปนะเป็นตัวที่เรียกว่าเข้าสัมผัสถึงรูป ต, ตัวอย่างเช่นร่างกายเลยนะถ้าโพธารม์ไม่ดีทุกขากาย ญ, ญาณิยาณเกิดถ้าโพธารมด์ดีสุขากาย ญ, ญาณิยาณหรือสุขเวทนาก็เกิดเพราะว่าตัวเวทนาเป็นตัวสวยรสของอารมณ์ นั่นนะสวยรค์รถถังอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ประณีตโดยมากก็เป็นสุขอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ประณีตก็โดยมากก็เป็นทุกข์นั่นนะทั้นตัวรูปนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาโดยเฉพาะวัตถุโดยเฉพาะวัตถุที่เป็นอารมณ์ของเวทนาเพราะถ้าใครจะเรียนรู้เรื่องเวทนานะก็เรียนรู้จากรูปได้ ง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมีถ้าเขาเห็นรูปนี้เขาต้องดีใจแน่เลยเพราะอะไรเราจึงกล้าโูดอย่างนั้นเพราะรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเ น, น, นะ่ยนะถ้ารูปแบบนี้เนี่ยคนนี้ต้องดีใจแน่เลยเรื่องนี้นะเราจะไปพูดให้คนนั้นฟังเดี๋ยวเขาจะเสียใจยรเรื่องนี้เออเร า, เร า, เราควรเล่าให้คนนั้นฟังเขาจาักดีใจเพราะอนุภาพของรูปเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจและเสียใจเพราะฉะนั้นเวทนาเ น, นี่ยธรรมชาติสวยอารมณ์ของ อ่ะสวยรสชาติของอารมณ์เนี่ยนะทั้งท่าสิ่งนั้นดีก็ดีใจละถ้าสิ่งนั้นไม่ดีก็เสียใจนีนะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสุขเวทนาก็เจอรสอารมณ์ที่มันน่าอร่อยมันก็เลยชอบทุกขเวทนาก็อารมณ์นั้นไม่น่าอร่อยก็เลยไม่ชอบเนี่ยนะอันเวทนานเนี่ยมันเป็นตัวที่สวยรสแห่งแห่งอารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะรู ป, อา ร, ปอารมณ์ที่เป็นรูปนะซึ่งในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ย เราๆทั้งหลายเนี่ยสวยรสชาติของรูปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ ท, ที่มีนามธรรมากับมีรูปธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยไหนมีมากกว่ากันโดยทั่วไปแล้วก็มีรูปเป็นอารมณ์มากกว่าดีใจเสียใจเฉยๆก็เพราะเรื่องเรื่องรูปอ่ะนะเพราะคำว่ารูปไม่ใช่สีนะไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวหมายถึงเอ่อตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเปลนลิ้ น, นกับรูดกายกับโพธาภาใจากับ ธรรมอารมณ์นั้นอารมณ์มที่เป็นรู ป, ปรธรรมทุกชนิดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเนี่ย น, นะพันธาวิเคราะห์รูปดีๆแล้วก็จะเห็นเวทนาด้วยทีนี้เมื่อเวทนาเสวยสิ่งใดก็เพราะอาศัยอะไรผัสสะของรูปนั่นแหละรูปมันผัสสะเนี่ย น, นะทั้งผัสสะรูปมันกระทบกันนะนะแต่เขาเรียกว่าผัสถ้าเป็นนามธรรมจริงก็เป็นตัวผัสสะใช่ไหมถ้ารูปมันกระทบกันมันก็กระทบนั่นแหละแต่ก็ไม่ค่อยเรียกว่าผัสสะ ภาษาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองเนียเคยได้ยินนะว่าภาษาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองเรียกว่าปฏิฆาสัมผัสกับอาธิวจนะสัมผัสปัญภาษะในปัญจทวานนี่ก็เรียกว่าปฏิฆาสัมผัสเช่นตากับสีมันต้องสัมผัสจริงๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าตานี่ต้องไปสัมผัสกับน้ำแหลมเนี่ยต้องเอาตาไปสัมผัสแบบแบบกายยทวานใช่ไหมนั่นกายยทวานนี้เราพูดจากขูทวาน สัมผัสแบบจักรคูทวารมันไม่เหมือนสัมผัสแบบกายทวาร น, นี่กําลังพูดจักรคูทวานเพราะฉะนั้นตาก็ต้องสัมผัสกับของแหลมจริงๆแต่ว่าโดยโดยจักรคูทวานไม่ใช่กายทะวานนี่ของเราทั้งหลายเวลานึกถึงสัมผัสเราก็นึกถึงแต่กายทวานอันเดียวเพราะสัมผัสทางตาเนี่ยนะตาของเราต้องไปสัมผัสกับภูเขาก่อนไหมาตาต้องสัมผัสกับภูเขาแบบกายทะวานนี่เดือดร้อนแน่ S <S <an throp od> หูก็ต้องสัมผัสกับเสียงจริงๆจมูกก็ต้องสัมผัสกับกลิ่นแต่อย่าลืมว่ า, เ, าเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าสานิท at ัสนะสัปปติคาธรรมมาอนิทัสนะสัปปติคาธรรมมาอนิทัสนาปปติคาธรรมมาเขาแบ่งอย่างไงสานิทัสนะสัปปติคานี่เท่ากับสีอย่างเดียวคือรูปารมณเนี่ยนะอานิทัสนะสัปปติคานี่หมายถึงเสียง กลิ่นรสโหดัพะที่เหลือที่เหลือเป็นอนิทัศนะอนิทัศนาปฏิฆะเนี่ยนะก็คืออนิทัศนะบวกอัปติคฆะนั่นเองก็คืออารมณ์ที่เหลื อ, อ, อธรรมชาติของรูปารมณ์คือสีเนี่ยนะเป็นสานิทัศนะคือหมายความว่าเป็นไปกับด้วยการเห็นหมายความว่าเห็นได้สัพฏิคฆะหมายความต้องอาศัยจากโขกับรูปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสัพฏิคฆะแปลว่ การกระทบกันอยู่แต่กระทบแบบทวานตานะหมายถึงรูปสานิทัศนะสั ป, ส ป, สปติคาธรรมาอะนิทัศนิทัศนะสัปติคาแปลว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็คือเสียงเนี่ยเสียงนี่เห็นไม่ได้นะตัวเสียงกลิ่นก็เห็นไม่ได้รสก็เห็นไม่ได้โพลส์ภาก็เห็นไม่ได้แต่กระทบในในปาษาธานั้ น, น, นได้ ส่วนนามธรรมที่เหลืออ่ะนะคือรูปที่เหลืออ่ะนะนามธรรมทั้งหมดบัญญัติพวกนี้เป็นอนิทัศนะอัปปติคะเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้แต่รู้ได้นะนะเขาก็มีการแบ่งอารมอย่างนี้บัญญัตินี้เห็นได้ไหมไม่ได้กระทบไหมกระทบปัญจทวารไหม เพราะว่าปฏิคฆะตัวนี้เนี่ยใช้กับปัญจทวารใช้กับปัญจทวารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบัญญัติเนี่ยนะเอาปัญจทวารเนี่ยรู้ไม่ได้รู้ได้ทางมโนทวารอย่างเดียวทีนี้พวกปฏิคฆะอย่างนี้เนี่ยนะคำว่าปฏิคฆะตรงนี้เนี่ยเท่ากับปัญจทวารอับปฏิคฆะตัวนี้เนี่ยนะอับปฏิคฆะหมายถึงมโนทวาร มันปัญจทาาวารนี่ต้องมีการกระทบกับอารมณ์จริงๆเพราะว่าปัญจทาาวารมีอารมณ์เป็นปัจจุบันเป็นประมรส่วนมโนทวารไม่เกี่ยงอาจารย์เจ้าคะครับนักการพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้พูดในในแง่ของอารมณ์เท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าสัพติฆะนี้ถ้าพูดถึงตัวทวารเองเที่มตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็กระทบได้แต่เห็นไม่ได้คือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวรับกระทบนี่อันนี้จะ รวมด้วยหรือเปล่าเจ้าคะภาสาทรูปอภาษาทรูปเนี่ยอยู่ในประเภทประเภทเนี่ยอนิทัศนะอัปติคะตัวภาษาทรูปเองนะตัวภาษาทรูปนี้เป็นอนิทัศนะเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เพราะตัวที่เห็นได้กระทบได้คือสีอย่างเดียวในในรูปยี่สิบแปดเนี่ยนะเห็นได้กระทบได้คือสีอย่างเดียวกระทบได้แต่เห็นไม่ได้มี เสียงเกลิน่นรสผลพระ ท, ที่เหลือทั้งหมดเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้แต่รู้ได้คำว่ากระทบในหมายตัวหมายถึงว่าตัวอารมณ์ที่กระทบกับทวารใช่ไหมจําเป็นต้องกระทบกับทวารแต่ว่าถ้าตัวทวาร<น>ที่เป็นตัวรับกระทบนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสัพติคาด้วยตัวตัวทวา น, นี่เป็นพวกอัปติคาเป็นอัปติคาหรืออีกในหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะทิวจะนะสัมผัส ถ้ากระทบทางปัญจทวารอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสถ้ามโนทวารเรียกว่าอธิว จ, จะนะสัมผัสนะเป็นการสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าคืออย่างอย่างว่านะสัมผัสของแต่ละทวารก็ไม่เหมือนกันอย่างอย่างที่เรียกว่าใครจะเอาตาไปชิมแกงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าความสามารถของแต่ละทวารแต่ละทวานี้ไม่เท่ากันนะเน่อะไรบ้างนะ ไม่แน่ใ่ว่าจำผิดหรือเป่ว่าในประเดชเฉที่หกนี้จะอาจจะพูดเฉพาะรูปที่กระทบได้ใช่ไหมเจ้าคะเ จ, จ, จะรูปสีส่นี้จะกระทบได้เห็นได้แต่ถ้ากระทบได้เห็นไม่ได้นี่อาจจะจะําผิดไม่แน่ใ จ, จว่าต่ดูมาาาาิกาสุท้ย้ยคะ